ฉันทราคาในขันห้าก็คือพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเพื่อละออพิจารณาขันห้าว่าไม่เที่ยงเพื่อละมานะพิจารณาขันห้าว่าเป็นทุกข์เพื่อละตันหาพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเพื่อละมิจฉาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะมันก็พิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาหรือก็เจริญพิจารณาขันห้าโดยนยะต่างๆเพื่อที่ตัดฉันทราคะในขันห้าเนี่ยนะ ทีนี้พอพิจารณาไปพิจารณามาก็ไปเจอเจออะไรเข้าขุดไปขุดมาเจริญวิปัสสนาไปกไปนนนนาา็ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเข้าเขียงหั่นเนื้อเนี่ยนะหมายว่าโอ้ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเป็นที่เคยอะไรนะที่อร ե ตอร่อยใช่ไหมหั่นห้าเป็นเอเนื้อชิ้นเนื้อเขียงหั่นเขียงเป็นที่หัน่นชิ้นเนื้อก็คือ รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจกักษุหน <legitimacy truth. S 2> ้าปรารถนาน้าใคร่หน้าพอใจเป็นรูปที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตะอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะหน้าปรารถนาน้าใคร่หน้าพอใจเป็นกลิ่นที่น่ารักเนี่ยนะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัด รถที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นรถที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธิภพอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปราถนาหน่าใคร่หน้าพอใจอันะเป็นรูปที่น่ารักเป็นโพธิภพที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนพ่อสุมเมทะเจ้าจงใช้ปรรัญญาพยังดังสาตรายกเขียงหันเนื้อคือจงละกามคุณห้านั้นเสีย จงขุดจงตัดชันทราคะในการมคุณห้านั้นซะอธิบายว่าในหน้า345หปัจชะปัญจะาการมคุณเนตัดการละฉันธราคะในในไรตัดความตัดชั้นธราคาในกามคุณห้าคำว่ากามคุณห้าเหมือนเขียงหันเนื้อปแปล ว, ว่าสัตว์เมื่อถูกกิเลสการมกระทบเพื่อประโยชน์ ทำทำไว้บนวัตถุการมถูกกิเลสการมตัดสับก็ฉนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็เรียกว่าถูกเรียกว่าอะไรนะคือถ้าติดใจในรถติดใจในรูปเสียงเกลียนรถเนี่ยเวลาเขียงสับเนื้อก็เหมือนกันเวลามันสับมันเข้าแต่เนื้อมันเลยไปถึงเขียงไหมฟันทุกครั้งมันก็จะดังถึงเขียงนะป๊อกป๊อกป๊เวลาหมูสับนะสังเกตดูมันจะบาดเข้าถึงเขียงฉันใดอ่ะนะกามาคุณทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันสิ่งที่น่าปรารถนาในที่สุดนะ อตอนต้นมันนิ่มนวลแต่ตอนหลังก็เจ็บอีกอยู่ดีเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัตแลอุปาอุปายานั้นพระองค์จึงสอนให้ตัดฉันทราคะในกามมคุลห้าอธิบายว่ามังสะเปสีติภิโคภิขุว่า ขึ้นว่าชิ้นเนื้อนี้คนเป็นอันมากปรารถนากันแล้วทั้งเหล่าหมู่มนุษย์ทั้งกษระสับทั้งสัตว์เดรัจฉานมีกาเป็นต้นถ้าเอาเนื้อมากองไว้เนี่มีสัตว์มาแย่งกันเยอะไหมเอากองเนื้อมากองกันไว้ฉันใดรูปเสียงเปลี่นรถโพธาพะที่น่าปรารถนาเท่ามากองไว้สัตว์ทั้งหลายก็จะมาเยื้อ่แย่งกันเมื่อยือแย่งกันทุกคนก็ต่างปรารถนาชิ้นเนื้อฉันใดสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยอวิชชา อาศัยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินต่างก็ปรารถนาวัตตะกันเนี่ยนะปรารถนาชิ้นเนื้อก็เท่ากับปรารถนาวัตตะชิ้นเนื้อย่อมติดอยู่ในที่วางติดอยู่ในที่วางฉันใดสัตว์เหล่านี้ถูกความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินถูกผูกไว้ในวัตตะก็ประสบทุกขถึงจะทุกข์บานใดก็ไม่คิดจะเบื่อหนายในวัตตะ ไปถามคนที่กําลังทุกร้อนจริงๆว่าพูนปรารถนาจะออกจากทุกเหล่านี้บ้างไหมเห็นไหมเชื่อไหมว่าเขาอยากออกจริงไหมคนเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรนะเชื่อทำไมนคนเนี่ยมีเขาถ้าหากว่านี้จริงเขามีคงมีคนจ้างคนฟังทำเนี่ยประสบความสําเร็จแนละ้วแต่เชื่อไหมไม่ประสบความสําเร็จเพราะคนเนี่ยโดยมากปรารถนาะปรารถนาอะไรเขาเรียกว่าถึงทุกอยู่ในวัตฏะขนาดไหนโดยมากไม่เบื่อหน่ายใน วัตะเลยโดยมากนะแต่คนที่เริ่มเบื่อหน่ายเพราะอนุภาพของคําสอนรองที่ทําให้นึกเบื่อหน่ายถ้าโดยปกติวิสัยตัวเองไม่เอาหรอกไม่เบื่อเด็ดขาดเลยแต่พอนึกถึงคําสอนเมื่อไหรก่ก็อ่า น, นะเบื่อบ้างด้วยด้วยอนุภาพของคําสอนด้วยอนุภาพของพระธรรมตรายเนี่ยทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายในขันห้าบ้างแต่ถ้าไม่มีคําสอนเลยเนี่ยนะบอกไม่ทุกขนาดใดทุกเจียนตายปานใดก็อางี้นหน่อย เคยได้ยินคนป่วยร่ำร้องหานิ้พานกันสักกี่คนไวนี่อะไรเป็นไงป่วยอหนี้พานเจอไม่เอาแล้วอย่างนั้นหรือเ่านะคิดถึงสักกี่ครั้งเนาะอาจจะมีบ้างแต่แมมทั้งวันอาจจะคําเดียวนะแต่ว่าแปลว่าไปทั้งเอืรนสักส่วนใหญ่ว่างั้นเถอะต้องคิดให้มัเยอะๆหน่อยนะคือสรุปแล้วโดยมากนี่เป็นอย่างนั้นแหละปวดหัวปุ๊บนึกถึงนิ้พาน นิพพานนี่ไม่มีสภาวะแห่งความเจ็บปวดเหล่านี้เลย น, นะนะคิดอย่างงี้บ้างไหมคุณวินมะรีวันเคยคิดบ้างไหมตอนมีดถ่ายเนี่ยเนี่ยนะถ้าตัดสรุนนิพพานจะไม่เสียใจเพราะใบนี้เด็ดขาดเลยนะ <c oughs> มีตัดเล็บเพราะขาไม่หายแล้วก็ยึดไปเนี่ยขนาดน่ะโอ้ยอินเดียนี่ไม่ดีเลยอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะจะ <c oughs> ไปใหม่แต่แก้ตัวใหม่วัดปรับมาต้องไม่เสียใจนะนะ เพราะไม่เอาไปแล้วเข็ดแล้วเอาเข้ากระเป๋าโหลดใต้ต้องเครื่องเลยหมดเรื่องอะไรเงี้ยคือเนี่ยโสกกรรมเป็นที่ตั้งแห่งเคาะห์ทุกเรื่องคือสังขารทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายโดยมากแล้วจะทุกข์จะร้อนจะเดือดร้อนปานใดก็ไม่ค่อยเบื่อหน่ายในวัฏฏะเพราะฉะนั้นเวลาคนเจ็บปวดไม่สบายใจโดยมากไม่ค่อยคิดถึงนิพพานโดยมากเลยนะเขาบอกว่าแม้แต่ทุกข์อยู่ก็ไม่คิดถึงนิพพานจะกล่าวไปลายญถึงตัวเองประสบ ความสุขเล่าแต่ตรงกันข้ามกับผู้มีปัญญาทั้งหลายเขามีความสุขเขายิ่งปรารถนาพ่านิพานถ้ายิ่งทุกข์ปานใดก็ยิ่งให้ความสําคัญกับพระนิพานมากเท่านั้นเพราะพ่านิพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์ก็สุดแท้แต่ว่าเรามีอัธยาศัยเป็นอย่างไรถ้าเรามีอัธยาศัยที่จะหลีกอกอกจากวัตฏะทำไงอัธยาศัยดีๆมันบางคนเนี่ยมันไม่เคยสร้างมามก็ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อจะสร้าง อัธยาศัยดีๆให้แก่ตนต้องพยายามตั้งความปรารถนาบ่อยๆ บ, บอกวิธีตั้งความปรารถนาพระนิพพานบ่อยๆทําไงดีนั่นแหละเอาธรร ม, มานุสติเนี่ยไปจะท่องให้มากๆมกันจำให้ได้เนี่ยนะสาธยาให้คล่องตอนนี้ก็กําลังสาธยาอยู่เดี๋ยวจะคล่องแล้ะเกือบและไม่เกินสามเดือนน้องเรื่องนี่มันกลมพาแล้วนะทํามาจากยังไม่ได้เลยเนี่ยนั่นแหละขมุกขมิดขมุกมีดไปเรื่อยเนี่ยไม่รู้ได้อะไรอยัางนั้นไปแล้วอะรให้เอ า, า, ามาโชว์ให้ฟังหน่อย ปไปเลยยืดอีกสามเดือนก็ได้อีกด้วย <c oughs> พร ะ, ะนิพพุนสรุปวาสัตว์ทั้งหลายผู้ติดอยู่ในวัตทุกข์โดยมากก็ไม่เบื่อหน่ายในวัตทุกขเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่านึกถึงแต่ชิ้นเนื้อใชนึกถึงแต่ชิ้นเนื้อนึกถึงสิ่งที่หน้าปราถนาไปร่ําไปด้วยอํานาจความกำลังด้วยอานาจความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นจงอันหนึ่งก็คือพระองค์ปัญหาข้อที่สิบสบสี่ชิ้นเนื้อเป็นชื่อของ ราคาเนี่ยนะก็ให้ตัดราคะอธิบายว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกชิ้นเนื้อนั้นเสียคือจงละนันทิราคะคือจงขุดความเพลิดเพลินเหล่านั้นเสียนี่ต่อไปเขาบอกว่าละชันทัดนันทิราคะละได้จริงๆด้วยอะไรด้วยอรหัตตมรักษ์เนี่ยนะด้วยอริยมรักษที่สี่ก็ด้วยอริยหัตตมรักนั่นเองสรุปสุดท้ายถ้าละได้หมดเลยเนี่ยนะทำกิจได้หมดคือ คืออะไรกายนี้ก็ขุดเนี่ยนะคขุดจอมปลวกคือมหาภูตรูปสี่แล้วก็ขุดอะไรไอ้สิ่งที่กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเนี่ยก็ขุดขุดเพื่อที่จะทำลายลิ่มสลักคืออวิชชาขุดอืงอ่างคือความโกรธขุดทางสองแพร่งคือวิจิตกิจชาขุดหม้อกรองน้ำชื่อนิวรห้าขุดเต่าเรียกว่าอุปาทานขันหาขุดเคียงหั่นเนื้อหรือชิ้นเนื้อคือ กามคุณห้าแล้วก็ทำลายชิ้นเนื้อคือนันทิราคะเมื่อสำเร็จแล้วก็นาคเป็นชื่อของพระพิสุผู้ขีนาศพคือพาหันเขาบอกว่าจงหยุดอยู่เถิดอย่าเบียดเบียนนาคให้ทำความนอบน้อมต่อนาคนาคที่นี้เป็นคื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนมโมรหินนาคสะเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าจงทาการนอบน้อมพระพุทธนาค ผู้ขีนาศบให้นอบน้อมพระพุทธเจ้าถ้าใครที่ทําจนสําเร็จผู้คนนั้นจะนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เราได้ตรัสรู้ด้วยขอนอบน้อมแด่พระองค์คือเมื่อตัวเองปฏิบัติได้ถึงเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วใช่ไหมเนึกเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังสอนให้เราตรัสรู้ด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ฝึกพระองค์เองจนสําเร็จแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมเพื่อช่วยฝึกเราด้วย ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สงบแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เราสงบด้วยพระผู้มีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงข้ามแล้วก็แสดงธรรมเพื่อให้เราข้ามด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ดับกิเลสดับภพดับวตาได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมเพื่อให้เราดับด้วยนั่นก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงสูงสุดจริงๆก็นอบน้อม พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้านอบน้อมอะไรนอบน้อมพระธรรมพระธรรมนั่นแหละสร้างให้สําเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรูธ้ธรรมแล้วก็เคารพธรร ม, มผู้ที่ปฏิบัติจนได้ตรัสรูธ้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะมีแต่ความเคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนันก็ถือว่าเข้าถึงวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ว่าตรงนี้บอกว่าเราตรัสรู้แล้วเราจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราฝึกแล้วเราก็จะฝึก ผู้อื่นด้วยเราสงบแล้วเราก็จะสอนให้ผู้อื่นเขาสงบด้วยเราข้ามในแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราปรินิพานดับเสร็จแล้วเราก็จะให้ผู้อื่นเขาปรินิพานด้วยเมื่อตัวเองได้ทํากิจอันนั้นสําเร็จก็นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าปัญหาทั้ง15ข้อเนี่ยนะพระกุมารกัสปะก็กําหนดจดจําเป็นอย่างดีไปเจริญวิปัสสนาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า ตรัสสอนก็บรรลุมรุ่ผลเรียกว่าเหมือนถือเอายอดมณีรัตนะสําเร็จความเป็นพระทหารตอนหลังท่านก็เป็นเอตทัคขะเป็นพระพิสุที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีบริวารมากพิสุติดตามประมาณ500รูปเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวธรรมได้อย่างวิจิตเนี่ยนะกล่าวธรรมได้วิจิตมากเป็นเอตทักขะด้านกล่าวธรรมอย่างวิจิตเนี่ยนะท่านก็สําเร็จเป็นพระทหารถ้าใครแบบแหมทรแบบงจําเรื่องอื่นไม่ได้ก็เอา15ข้อนะั่นหนึ่งนึงอะไร จอมปลวกหนึ่งคือจอมปลวกสองจอมปลวกเป็นชื่อของอะไรมหาภูตา ร, รูปมหาภูตา ร, รูปคือหรือร่างกายกลางคืนพ่นควันคือเตริร์ไปเรื่อยกลางวันพ่นไฟก็ทํากระดดิ้นรนทั้งวันเนี่ยนะพรามเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าสุเมธาเป็นชื่อของเสขะพิคูศาสตราเป็นชื่อของปัญญาการขุดเป็นชื่อของเวรยิยะเนี่ยนะลิมสลักเป็นชื่อของ อวิชชาอึองอ่างเป็นชื่อของความกโกรธทางสองแพร่งก็เป็นชื่อของวิจิกิจฉามโมกตรองน้ำด่างนิวรห้เต่าเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าเคียงหั่นเนื้อเป็นชื่อของกามคุณห้าตัวชิ้นเนื้อก็เหมือนกับนันท่ราคะหน้าคือพระอรหันเนี่ยนะพระอรหันคีณาศพถ้าเข้าใจตามนี้แลวเจริญได้ตามนี้จริงก็ ه, ถ้าเราคิดเนะี่พระกุมารกัสปะท่านไปเรียนอะไรท่านจึงได้บรรลุเป็นพ า, าหาันก็ลองไปคิดตามท่านเนี่ยนะเผื่อเราจะได้บรรลุตามท่านพันก็จากการฟังอวอมมิกสูตรสูตรที่เปรียบเทียบอุปมาด้วยชิ้นเนก็ขอจงเป็นบุญวาสนาเป็นอุปนิสยัยให้เราได้ตรัสรู้เช่นกับพระกุมารกัสปะด้วยกันทุกท่านเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเช่ญพัน